ที่ได้ดูแลรักษาอวบบ้ารัมแห่งวัดหมกกัลวานารัมแห่งนี้ปฏ่วัจญ์ยัดย่อมเพื่อจะให้มีความสนับสนุนมีความความเที่ยงแท้หนากันหลายสิ่งหลายอย่างเหตุอย่างทําอย่างจะรู้สึกว่า ม, มีความให้ความร่มมือได้รัาก็มือแจกหยาดแจกย่อมทุกแง่ทุกมุมแม้แต่การจัดการจัดงานที่กันปวดเขา่าจะคงจะเห็นสิ่งต่างๆในต่างๆ ที่จริงแล้วการจัดงานแต่ละทั้งแต่ละคณะใงปีนี้นะและปีกับตามมีกับตามทีได้พาลงไปทาวัดอยู่ในสถานที่แห่งลานทินโคงลานทินคงแห่งนั้นกัเป็นสมัยตั้งแต่จันสมบูรณ์หรือจั์วิระที่จะสมัยเก่เาๆในเก่าๆคนเด็กเอาไว้ทำเอาไว้ได้แนวความฉิดแต่แนวดําลิมาจากอ่าสวนโมกสวนโมกฮะวาราล่ะอ่าสวนโมกฮะพระรามอ่าจังอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะไม่นั่นเพื่นกับ้ากันเท็ดผ้ากันถ้าระดมท้ำกันมีกันในรูอยู่ในร้านหินโข่งกันก็เลยมาดำริมีความชิดปลาเอ๋คนเท่านี่กับคนที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติเสียบังที่เรามีความหักมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติฟังเสียงกาจันนาทังเที่ยงแต่เงยจักรจันเงยเงยลงมาใส่เนี่มาใส่ก็รู้สึกเป็นกายนกดน้อยนี่จะน่อยโยนั่นคือความดำริให้การจัดการจัดงานให้กัน วัดโมกนี่กะสั่งมานมนำนันพอสมควรเด็มานมนานันพอสมควรเจ้าอาวาสกับฤาษีกักเปลี่ยนแปลงกันมาหลายยุคหลายสมัยขึ้นกันมาตั้งแต่อาจารย์มิระมาอาจารย์คำพันธ์มา้อาจารย์สมบูรณ์เราก็มาอาจารย์ดาเราก็มาหากระผมเองในตัวอาจมาเองเดี๋ยวมาอยู่สำหรับอาจารมายังไม่อยู่วัดโมกครั้งแรกนั่นก็คงประมาณปี2124 ปีสองปันอร่อยยีซีไม่จํมั่สาอยู่กับหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนแห่งนี้กระด้นมามีร่วมมีพระร่วมประพฤติปฏิบัติน้ำกันนี้น้ำกันที่จำได้ยุคนั้นสมัยนั้นจะมีพระพระไว้นุม่มไว้หลุ่นกาลังไฟแรงกันที่ตกค่างนี้จะมีอาจารย์สมศักผูหนึ่งสมัยนั้น <c oughs> นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์จันดาจันทองจนันนี่ปฏิพันธ์ในมาร่วมกันปฏิกัติน้าช่วงนั้นหลวงพ่อก็มาอยู่นําอ่าหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอเทียนหลวงพ่เทียนเขาก็ได้มาอยู่ร่วมในปีนั้นตั้งแต่ปีนั้นมาก็มีความตั้งใจมีความคิดอยู่ว่าเออเขาเขามาบวชมือเขาเขอมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเขาที่ไ ห, ห้คุ้นไหคุ้นหรือทำงานไห้กับศาสนาทําเห็ดจังไหนเห็ดจังไหนมาแดงสีมีความ ค, น ค, นคน้นแังสีเข้าใจแต่มีความคิดอยู่ด้วยกัน ในด้านการปัิบัติปฏิบัติจะทาทามาอยู่เลยแต่ก็โชคดีว่าปี2 1 2 4นั้นก็ได้ใกล้ชิดยูกับหลวงปู่เทียนได้อยู่ใกล้ชิดกับค่นนี่กับเพื่อนแค่เพื่นก็ไม่ได้บอกไม่สอนยังดอกแต่มากระบอกเป็นคนนี้ปากดูปากงี่ทั้งมดก็เที่ยงแต่เบิงเพื่นสอนในการไปทาให้ดูทําให้ดูอยู่ให้เบิงเป็นจังไดอยู่จังไดความเป็นอยู่ของเพ่นอยู่จังไดทำจังได อายุใกล้ชิดกับเพล่นอยู <tak> ่ก็เพลินแต่เรับความเมตตาบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างล่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นหาถึงว่าเพิ่นไปหายได้ได้เกิดแตน้าพให้ได้เกิดแตนหน้ากรรมแต่พวกเขามีความสาบสิ่งอาจจะมามีความสาบสิ่งในเรบุคลิกกภาพของคนนี่ของคนความเป็นอยู่ของคนอยู่เด่ยเหยียดง่ายเหตุอยังทำอย่างเบาเห็ุอยังทำอย่างรู้สึกมีความเทียบเท่าเป็นลักษณะที่บุคคลที่มีสติสมบูรณ์มากริตซด สำหรับพระหลวงตาเขาใจแก่ดีเคยเห็นมากเคยอยู่ใกล้ชิดกับเพื่นเพราะฉะนั้นว่าพเพราะติ๊บเขาอยู่กับเพื่นหนึ่งกับเพื่อนมากนี่มากกปีหนึ่งกับกับอาจารย์ท่องสมัยนั่นรู้สึกว่าติดอาจารย์ท่องอานแตมาพอ่พอพ่กับอาจารย์นิวอ้อนกับอาจารย์สมศักดนะิ์อาจารย์นิวันนี่อาจารย์สมศักดิ์ที่มใสเกับผมอาจารย์นิวั้อนยิ้หันสมัยนั้นติดกับอาจารย์อาจารย์ท่อง แต่ใส่สเห็นอาจารย์ท่องอยู่งเลยแกเห็นอาตมายิ่งหันเห็นผมยิ่หันจนหลายคนเข้าใจว่าจนหลายคนบอกว่าไปใกล้กับอาจารย์ท่องกปใกล้ครับหลวงพ่อท่องให้เราบ้างดีแล้วเป็นไงผีตายโหงจับหลายหลายคนแล้วคืนนี้นี่ในชี้คนนึงไปกระเพิ่นไปกระเพิ่นไปปฏิบัติน้ําเพิ่นนี่น้ำเพิ่นพายบาดพายกดไปเงยเงยวไปน้ำเพิ่นนี่น้ำเพิ่นขามฉลุ่นนี่ผ้าไรโบสเนี่ย เพิ่นก็ขามไปแล้วไม่ชีก็ตามน้ำหลังน้ำหลังพอขามไปก็ิอยุ่งางถนนงกลางถนงนรถยนต์มากใส่ บ, บั้นภายใน่ชีดหัวตีรังกาหัวนกะป้นต่ำตายยังยงไม่อีอปีหนึ่งบาเนี่มีพาุหนึ่งเขามาบวชอี่นั่มบวชมาบวชอยู่น้่ปีขึ้นี่มันปีสองข้อหรือยี่สิบผาหยี่ิบภพจำบ่ได้คนนาบวชลำพูมาบวชเรื่เพิ่นนี้เพิ่นกะรทธิึก็ปราศก็บอกใดีปันใด เมื่อปราศาทราะใครดีงก็ถ้าไปยามบ้านอยาบ้านเก่าที่จริงแล้วเนนพื่อยู่งปุ่นเขากันปุ่นเขาชักกันไปยามบ้านเกา่าอไปยามเพราะไปยามมือไปนอนอยู่เทียงไห้จียงหน้าหรือจียงในนี่หละไปไปมไม่คือจงไม่องนั้นก็ได้แล้วก็ไปผูกคอตายซะเ <laughs> มื่อเมืไปผูกคอตายแล้วก็ที่นี่เมื่อไม่เห็นอันตามาไปน้ำฝนเลยเห็นผมไปน้ำฝนหลายผ้าหลา ย, ลายองค์ก็บอกว่ า, ลวาหลาังวันอีดีไลาเข้าไปคือ <inadvert> คุณหน่อยกันว่าสมัยนั้นเาเอิญเ็เพื่อนเอนเด็คุณหน่อยผูดคุณตะไ่ชิดนะตะกี้ตะกวนศิลปินน้อยบางสรงเขาเจ้าอะไเอิญหน่อยคื้อซิบอยแบบนี้แลวก็ไปไล่ก็ไปซือคุณหน่อยกันว่าเออเขาแต่ว่เป็นยังมาเสนอเดี๋ยวเธอเบิ้งกับผมก็ไปยันท่องไปที่ไปคนกันหน่อยก็เลยครูใหรเจ้าเั็กน่อยหรอกครูที่ไปคนกันมี่คนกันกะเลยไปกบเพื่อนนี่ก็เพื่อติดกับเพื่อนอ่อนต้นอ่อนตอนสึกว่าเพื่อนก็ให้ความค่ายๆมีความหัก ฮักคนหนึงกับพี่้ายคนหนึ่งพี่ซ้ายไงคนหนึ่งอีคนหนึ่งเห็นแล้วหรือซึกว่าเพื่อนไก่ความเป็นอิสระก็ธรรมามันชอบในความเป็นอิสระว่ชอบกติกาว่าชอบคุณกำหนดกฎเกณฑ์ยอย่างทั้งหมดแในแต่สมว่ า, า, มาบวชด้วยกันนะ่ะบวชนี่จะกิงแล้วว่าตั้งใจว่าจะบวชจะซิบมือซิบามือยางโดนเอ่ายางโดนแต่มันกะบอกยังไๆก็คือหลงผิดมาลนะน้องน้อง ลงคิดมาแล้วก็เลยอ้าวเป็นยังไงกับสร้างหัวมันทไว้กับตันเลยตันเลยซะจัดกับจัดสิเลยหอดมือใดบุตรล่ะวาหอดเลยหอดมือหอดเนาะหอดมอือยูกับยูหอดมืไปกับไปหมันก็บยูวัดโมกกันน่ะยูหอดมือไปกันวะตัวเองจากัดการจากัดนี่มากหมเพราะฉะนั้นช่วงนั้นระยะ น, นั้นก็นิดกับ อ, อาจารย์ท่องอไปไ ป, ไปมาม า, ม า, ม า, มาไปไ ป, ไ ป, ไประวังปียี่ห้ายีไปปียี่ห้นั่นรือสว่าเขาไปเขาตะกุก พูดทางแถวแถวบ้านการสมบูรณ์หมดแหละเข้าไปเขาตะกุกโอ้ยเข้าไปนี่พอเอ้ยเสียสั่งห่างทางชิ่งบางมือตัวหัวขวากระดงยามมือขึ้นไหลเข้าไปนี่เขาเขามาไล่บางไปพกกับออกมาติดไข่มาลาเรียติดไข่มาเรียงอมยิ้มเลยเข้าไปหาลุงบ้านนี่ลุงบ้านเขาจะรักษากันโอ้ยเข้าไปบาบอกว่าติดไม่ใส่มากอยากแถวป่าจีนเขาสั่นหัวว่าแถวนั้นรู้สึกมาลเรียมันรุนแรง ไปสามองค์อาจารย์ดาอาจารย์สมอาจารย์ช่วงนั้นไม่ใช่อาจารย์สมหมายอาจารย์สมหมายแต่เน็หนหลวงพ่อสมหมายนี่แหละหลวงพ่อสมหมายแลยกัอาจารย์ท้องเลยอัตมาสามองค์ไปน้ากันไปไปแล้วแต่รู้สึกว่าธรรมชาติธรรมชาติเนดีดีย่างไป็นในภูเขาหม่องหนึ่งหม่องเขาตะกุกคุ้ยปาง่วงป่ า, า, ปาปมันมันมากินในต้นบักทัว บางตัวของชาวบ้านอมพ้นอยู่ฉี่ในไหมอยู่คิด้ยินค้นเสียงคนกับก็สิมันก็สินี้หมูปูหมูปลายแบบนี้ในท่านน่ำรู้สึกมันกะไหลโอ๊ยบึงแหล่าแบบนีความสุขสงบสุขเกิดขึ้นมาแล้วปับอยากไปอยากมาอ๋อไพน์หน่อมือเที่ยวหนึ่งคำคลักษณะนี้แหละไปเยี่ยงโอ้ไปไปปวดท้องปวดท้องไทยมือจ็คหน่อยประมาณทุ่มเครงเครหรือสองทุ่มอยู่ละพอไปไทยผส่วนขั้นตอนประเทศแบบฟ้าไม่เอาไปไพน์ามุ่ง ได้ยินได้ฟนวาวะได้ยินเราฟนวาเสือนี่มันหงาอ้าวคือแมวเนี่ยฟุนบาไปนั่งยืนยนั่งกับจุดไฟไล่ยุงยันยุงยันยุงมาเรียเรีไปสิมาซึ่งมันขมขดที่มันจำเลยกับัจักมันงาอ้าวมาข้งหลังแบบนี้ถ่ายแต่ยังเพิ่มมาสุดวัชเลยเมียนดีเป็นไรดีเป็นไรฉันเมียนม่ฟังเหี้หฟังเหี้ยงาห่วยมันบันมเมนอะด้นี่ มันโดดโดดกายใจขึ้นไปกันบนกุฏิคุนแหละล่ะตอนแรกนอนย่ขอกันสององค์ก็นอนยู่งกลางกันเห็นหลวงพ่อทองหรือพ่อสมัยนอนยุ่กลางกันโดดเข้าไปนอนยุ่กลางช้ำนะมุ่งมันสบายมันผู้ใดเนาะปั้นนั้นตอนนั้นมันบาลงพรท้องเงาะพ่อสมัยนี่ปวดไทนี่ยเราะห์คนตั้งเนี่ยเขจะมันเสียงยงหัวเงาเงามาเยนะยากันนะบานี้เด็กเด็กเี่ยตีหนึ่งตีสองคนปวดท้องบ้า ปวดทองคนคือขี่ปกกลป า, ป า, าบบกาไ ป, ไปึ ง, งต่องอย่าลว่าปุกปลุกกระต่ฟื้นรไฟเสร็จแน้ะเราะกว่ากว่าเสือนี่มันหย่างไฟเหมกันวะไปก็า่มีหยังดอกต้องยั่งต้องขึ้เขาปลากระไตหลี้อนที่ไปหนา น, น, นั่นเน้ือว่าเขามีเขาไปลุกยิ่งลูกสร้างมายิ่งเหรอเอาลูกสร้างมามันเฉียดแม่มันเฉียดห ม, น, ดมนมาพังกุฎีผาโย น, นกุฎิผาลงคองน้ำบริวรมึงมีคองน้ำอยู่ท่านไปเห็นไมหอยู่ไม่ไมอยูย่ ขาว่ามันเพิ่งทำไปเมื่อสองสามมือนนี่ะธนว่าเพื่พังพังกุฏิพระโยนลงคลองเลเพอพังแหลือกิโย น, นลงคลองมัสองหลังโอ้ดันบานนีขึ้นไปเนีมือเป็นนี่พอดีข้าเจ้าจะพักกันหบงน้าตกไปบงน้ำตกว่าพักขาเจ้าปออกขอบกลัวข้าเจ้าไปนั่บ้านนั่นบ้านเอิญเขาตอนนั้นว่าบัดยมไอเรียก ว, ว่าเอิญหรือว่าชาะชาู้ไทยอย่ันสมไมนั่น ชาติภูไทยมันก็มีเมีย ม, ม, ม, ม, มีลูกสาวลูกสาวกำลังเป็นสาวน้อยเนี่ยขนาดสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละพอไปแล้วก็ก็เอาไปน้ามีไปน้าที่นี่พอไปหอดตีนผูนี่หรือเซอร์ามันก็บอกว่าไปเสียลูกสาวขึน้นเสยลูกสาวผ้าขินไปเปล่าทันว่าเสยลูกสาวผ้าขึินไปนี่ไปเบิ้งมาทันบ้าอ้าวตากระเล็พุลุ้นขินมาว่าเอออันนี้เป็นขันทดสอบขันแรก ไอ้แยต่มาเลยผมบอว่าพุทธินะอันนี้เป็นการทดสอบค ร, รั้งแรกครั้งแรกพระนอมไปก็แม่นี่เหลียพอขึ้นไปขึ้นไปใต้เขาขึ้นไปใต้เขาขึ้นไปนี่ใต้เขาขึ้นไปเด็กน้อยสองคนเด็กน้อยคุณยิงสองคนขึ้นไปไปเหยียบนหินพังขึ้นมาก่อนทอมาหนึงห่งนี่แหละคุณหนึ่งยูต่ต่ำคุหนึ่งอยู่สูงลักษณะนี้เหยียบพังขึ้นมาก้อนหินกรูกรูกรูกลงมาเนี่ยเด็กน้อยคนนั่นกันกนสัญชาติยานของของคนเนาะ มันกรลบปุ๊บคันเบลล์รถหนีใส่ถวยตั้งตายทันทีเลยพราขึ้นไปสูงอีกลูกสาวห้องไปพอ่อบม่เห็นเด็กอีพอ่อห้องห้องเอิ่นพ่อเอื่นพ่อ พ, อพอ่อคนยึตะลุมจะได้อบอกว่าเปองห้องพระเปองห้องนี่เปองห้องพระสามองค์เด็กหน่อยคุณยิ่งสองคนเขาขึ้นไปพราชาตินี่ก็ที่ว่าเป็นคนนักเลงคน อะไรว่าคนเะเด่นเหรอไหมว่าครับคำคันเนาะตอนเขาไปในคำคำหอดไปหอดที่บ้านเขาสองทุ่มสองทุ่มกลัวๆหยาดย้องเขามากาบผู้ชายเขามากาบปืนเนี่ยจั๊กเปินปืนยันต์ตัวมันยันต์มาวางลงตอนหนากราบปุเงปิงปุ่งปงปุ่เป็งปุ่งปิงลงกราบอวดไปเลยคนพยัยท้องนี่กัผมกูท้องพยัยลบพยท้องนี่กับว่าอ้ฉันนั่งยังจะได้ยึดขางไว้คนเง่นี่ก็ได้ ก็ลายังบอกข้างไหลยังบอกข้างไหลยัาวไปหลเงี้ยไหลมาเันแอย่งอี้ทางไวอันนั้นเี้มืนขึ้นเพราะไปทดสอบเพราะไปเงียมัเว้นมานี่ยเง้มเศ้าจีเ็กหน่อยของห้องห้องห้องบัดนีพราะแม่งเกิดสงสัยี่บันนี่เกิดสงสัยตายแล้วลูกสาวกูเห็นเป็นอย่างนอระอยังพอภะเนี่เด๋วนอสิบันียกันแล้วกันแบบเขากับแลนมากเสร็ล้วพวกเขากลลงมาเพอลงมาลงมาเขาแลนบังจนใหม่อาจารย์สมัยเป็นผูเห็นสล่นบังจนใหม่ปืนนี่ถือพร้อมแล้ว อื่นนี่ที่พร้อมแล้วคเป็นยางเขาเป็นยางมาปกปกติแต่ว่ามียังเกิดขึ้นมาเขาเป็ยางลงมาปกติเขาก็แนี้มึงคือกันคันไม่ยังติดปกตินี่ซกันคนเขาขาก็ตายในี่แต่พุ่นละทั้งสามมงขิมมักไม่ไปากตายเมกิลีนิกิลีลแล้วก็ บ, บอเป็นคนจีปากปากับอยเบิเบิปากที่บอสี่อสิไปว้าวอันนั้นอันนี้ครับเขาข า, า้เจ้าว่าบ่าีก็ไปธรรมดานี่ธรรมดาไปพาเพราะกะทิวขา้ขาเจ้าเป็นเด็กน่อยอยุคลอดคนมาก ตลอดคนมาแล้วกลับบอกมาเราเกิดไข่เป็นไข่เมลเลีเยเนี่ยโอ้ยทรมนานย่านหลวงปู่เทียนกับย่านวาย่านหลวงปู่ท่องกับใดบอมากพักเขาว่าไม่หนีบ่มักพักพุ่นแต่ภาที่วัดอดอนดูตอนนั้นอาจารย์ส ง, งัดยิ้นเลือดําเดานี่ออกมาเป็นถวนเป็นทนปวดหัวไข่เป็นพาโรงบานไปยื่นหน่วยเมลเลียเขาฉีดยาเพราะฉีดยาเนี่ยยินนน้น้ำยิ้มน้ำพระเจ้าพระเอาน้าแข็งใหกินกินลงไปปุ๊บก็ป่องเลย ฟุบกระป๋องสลงุบกระป๋องเลยไข่ขินแห้งเนี่ยขนแห้งโอ้ยเหี่ยวกมัเม็ดหนเม็ดเทยเป็นเม็ดเม็ดท้อเป็นนางน um okay. ี่ยมันน่งกลับองมาพราะื้นยังไงเลยจำท้องกัผ้ามันนางยู่หนาโรงาบาลขี่ต่อรถแฝงบ้านดนดูทั้งบั้นต้องแซงคนละมันดนดูนี่ดนดูพ่อไปแล้วกันนั่งรถกับขเจ้าเห็นกับโอ้จะรตัห้อยอาจารย์มาเดินเดาไปหาหม่งน้อนจักหมงจังมงเน้มันสวงจังหน่อยแนี้ยาเดินเดาไพ่อตายแล้วเด้ยมาเดนาแต่ว่าไป พอรถมาก็ขินรถเมฆไปขินรถเมฆก็ผ่ายจีบงู่วะในเปียกปุ๊บ ป, ป, ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากนี่ขินมากรู้สึกมันกะ็าหายขุ่นคาขึ้นกันให้ประสบการณ์กระเพ้านี่กระเพ้าในการเดินทางหายความอดทนเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัตถถิธรรมัวนี้มันรู้สึกว่ามันกะเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่ ง, ส, นนงส่วนหนึ่งที่พวกเขาเดิมาสัมผัสแล้วก็พวกเขาไมา่ยืนเดินนั่งนอนนี่นี่ แล้วเขาที่พูดจากว่าการความเป็นเชกับชีวิตจริงดับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมากกับชีวิตต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมากนั่นรู้สึกว่าเป็นปีกใหญ่ส่วนหนึ่งไอ้ที่พวกเขาไม่เห็นนี่ยกไม่ยกมือยกมือเข่าเอามือออกยกมือไปเอามือมาไม่ความโนสุขเมื่อยอย่า้อนนั้มันกะลักนาหนึ่งแหะแต่พราะเขาเข้าใจมีความมั่นใจแล้วว่าสติสมัชัญญาของเขาสมบูรณ์แต่พอไปประสบปัญหาเกิดขึ้นมากพอประสบปัญหาเกิดขึ้นมากแล้วรู้สึกมันกะบาไหว อาล้มต่างๆที่มันกระทบกระทั่งเกิดเกขึ้นมาเนี่ยเกิดมารู้สึกมันจะงอดเงี้ยแข็งพอสมควรแต่พอเขาพอไปเชิ้อหน่าอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นประสบการ์ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาหน่อยรู้สึกว่าปัดทุมันให้กุญชาให้ชีวิตของเขาให้ความแข็งแรงกับชีวิตจิตใจของเขาจากนั้นแต่ยังพรทพันพ่อละเพราะฉะนั้นว่าที่เพิ่นบอกให้ยกไม้ยกมือยืนเดินจงกรมเดินเดือยยืนเดินนั่งนอนในนีสติสมัยขึ้นยาตัวนี้ มันเป็นอิริบทเยียย่อยเป็นอิริบทประจำกายประจำสังขารของคนเป็นเป็นอิริบทประจําสังขารของคนมันมีในคนทุกๆคนบยกเวนแต่ความเอาใจใส่ของเขานั่นเราบอกว่าไปสนใจยันด้านอื่นสังเกตว่าโอ้เด็กคนนีความสนใจด้านไหนก็ตามอ่าในแต่นักเนสนใจในด้านการอาการมีต่างๆในแผนกในสาขาใดนี้นีชาใดนี้ใดรู้สึกว่ามีความตั้งใจในลักษณะนั้น พวเข้าคือกันขันมีความสนใจมีความตัง้งใจในการทํำความรู้สึกกุมเอ๋อของเขานี่ความรู้สึกกุมเอ๋อร์ตนี้มันก็ไปเกิดขึ้นมาพอพิความรู้สึกเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาสัมผัสได้ทุกขณะทุกขณะยืนเดินนั่งนอนขู่เหยียดเขึ้อนใบกับตา ใ, ใจอวบปากาอิริบุตรใกับตานี่กับตามธรรมชาติส่วนหนึ่งไปภายในร่างกายของเขาใน จ, จิตใจของเขาภายในธรรมชาติส่วนอยู่ในภายอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเขาปรากฏการส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นมา เทคโนโลตก้อนอัตมางหรือก็ผมเองกับผมกกบเคยมีความมั่นใจล่ะมีความมั่นใจจักหน่อยลักศาสนาบวชกระ บ, บวชไปตามข้าเจ้าขุ้ยจันสมศักดิ์คนว่านอะไรนะบวชตามประเทศนี้ครบบวชแล้วเพิ่นจะให้บวชกระบวชซื่อๆนี่แล้วเพราะว่าให้เป็นคนดิบตะก้อนก็เป็นคนดิบเนนี้เป็นคนสุจกจังหน่อยเหมืนะอนน่ะเพราะมาบวชเพราะมาตั้งใจกับมาบวชบวชได้ก็เลยจะเออพอยิ่งแล้วเข้ามาในมาสัมผัสกับรรอารมกันปฏิบัติลักษณะนี้มีความตั้งใจมีความเข้าใจยุทธกันในคณะ ตะกี้ตะกอนว่าสมาธิคือความตั้งใจสมาธิที่นั่งที่สงบสงัดอยไปอยูพักนั่นแก้วก็เกิดปัญญาแก่พอมาทาอยู่เนี่ยคิดนึกขื่นขวมมือลงยกมือเข่าออกมือมากเดินนาถอยหลังกับพิษตาหายใจอ้าปากยืนนี่มีความผู้ศึกขโมยนี่ทำรมชาติมส่วนหนึ่งว่าความสงบเพ่งเกิดขึ้นมาว่าโอ้สงบแบบนี้มันเกิมีความสงบแบบนี้มันเกิมีตะกี้ตะกอนเขาเข้าใจว่านั่งที่คนสงบึ้นั่งเที่ยงที่รีเพราะปากก็ติง หายใจเ ข, ข่าก็หายค่อยๆไอ้ ม, มันค่อยๆเขา่าค่อยออกค่อยเข่า ค, ค่อยออกย่น Leonard. มันม น, นีเป็นการกั่นเป็นการกลั่นเกินไปมีเกินไปเมื่อไรพอเกิดพักสงบสงบเพื่อสงบกายสงบไปจ๋าแต่ใจพอสงบร่างกายนั่งเตียงตรงที่ลียู่ด้วยกันน่ะแต่ว่าใจนี่พอสงบฟุ้งซ่านไปโอ้วันี้ค่อมชิดพอความชิดแต่ไม่รู้เรื่องคอยขึ้นไานี่ไปอยู่ตลอดนี่ไปแต่พอมันกลับไปอยู่ขั้วมุสึกตัวนี้ผูกขั้วมุสึกตัวนี้ เคลื่อนไหวยี้นี่มีความมู้สึกกูเมืองกายเคลื่อนไหวยี่บุเดยมีความมู้สึกทันทีเกิดขึ้นมาทันทีแต่กี้แต่ก่อนเพิร์ดบอกว่าให้เบิ้งเด้เบิ้งอาจจะรูปน้ํำมากันงมาเบิ้งรูปเบิ้งน้ํำมากันงมาก็เบิ้งกันล่ะเบิ้งเห็นตาเป็นตาเห็นนเห็นแต่เป็รูปรู้สึกว่ารูปเป็นไอ้รู้สึกว่าเป็นน้ําก็เห็นมเห็นอยู่ลักษณะนั้นแต่มันไม่มีความทราบสิ่งแต่พอมามีความทราบสิ่งเพราะมาเข้าใจชนิดล่ะก้อนสิ่เข้าใจนั้นรู้สึกว่ามันมีสองช่วง ช่วงหนึ่งไปบินทบบาทเพราะไปบินทบบาทนี้รถเขาก็มีแต่บาท่านมีตัวถังมีแต่คัสซี่มันเดืคัตซีคัตซี่คับเหนี่ยงเขาเอิญมันน่ะเทเลอเทเลอเทเลเทเลอมากแล้วก็มีแต่คนขับแบบจะพวงมาไล่เธอเลอเธเลอเธเลอมากเพราเหลือตาไปเห็นกำลังบินบาทเดียวพอเห็นปุ๊บจนมันย้อนกลับมาหาเขาปั๊บทันทีไอพวกเขาย่างเทเลอเทเลอยิ่นี่มันก็ะซุบรถขั้นนั่นตัวนี้บาล่ล ไอ้คนที่ไอ้ตัวที่หอนภาไปก็คือพวะไรที่มันพาคดที่กันนั่งขับที่หันตัวว่ะมันย้อนกับเขาเบิ้งตัวเฮาได้บั่นโอ้ไอ้พราะตัวเฮามันตัวเฮาไปไส่มาใสนี่มันเก๋ย้อนตัวจิตตัวนี้ตัวสิ่ภาไปกายนี่ตัวนี้เป็นพื้ที่เป็นที่รองรับจิตซื่อๆนี่ซื่อๆกายนี่พอรับรู้รับเห็นว่าหงุดหงอนห่อหนาวจังมดนี่จังมดตัวห่อนตัวหนาวคือตัวจิตตัวแกของเขาตัวเมื่อตัวเพียสึกเกิดจิตตัวแกของเขาเหยียบก้อนหินลงไป ความรู้สึกเนี่มันชัดเกิขึ้นมาโอ้มนแรงขึ้นมาทั้งกายทั้งมดเขาไปอนแรงเกิดมาทั้งใจหดแข็งปั๊บทันทีเขาไม่เห็นอ่ะไม่เห็นช่วงกับมันนี่ก็มันว่ายืนเหยี่ยวเขาไปย่างเข้าไปย้อนกับกับม่านี่ก็มาทุกขณะทุกขณะเห็นละปัทุตัวนี้ตัวเองตัวนี้เองที่ทำให้เขาถุกตัวนี้เองที่ทำให้เขาเดือดหลอนตัวนี้เองที่ทำให้เขาหลงตัววิมีสติสัมภัญญาสติสัมภัญญาเป็นปัจจุบุคุกงค์กาย ความคุ้มกายความคุ้มใจของเขาเนี่ของเขาว่าให้มันทำผิดในข้างที่ในข้างบดีบงามเป็นอย่งไหนี่สติสำปรัเจนะตัดโขค้นตัวค้นีนก็เปรียบมันลดลดที่มีนี่ประธานมีโค้งมีแกลลอมีแกลเซียงยอมขับไปทํายทนายทนายซื้อค้นเท้าคือกัน่ะเว้นแกไอเนี่ยจิเล็ตมันขับขับเจสิขับคลมพ้อใจมาพอยใจก้มหลบก้มโกนกมหลงย่างมันเกิดขึ้นมาใขึ้นมาเทาก็เอาไปตามกระแสขอกว่าค่วนกระแสมันจะเกือ โมโหเคยชกระแสกรมันมีเทียมมันไกะทัดดันเขาไปตลอดจนสร้างความเคยชินของกายของจิตอ่าเป็นว่าคันโมเชียดโมโหสุดกับว่ามันพ้นลอดเวลานะคันขาวดาโมโหเฉียดกบว่ามันคนตลอดลานี่มันเป็นข้าใจคิดขขนาดนั้นนะคันขาดามาโมอตโมโตกอ้วยมันบเป็นพ้นตลอลยบ่มีเป็นคนโง่ตลเวลันั่นสาหรับของเรื่องของอันตรธานบุคคลที่เป็นอันตรธานแต่คนเป็นุมีสตินิปราแล้วโมโตโมโต บ่เขาไปตอบโต้เพเขาไปเกล้ากายเพราเขาไปยังเสมอเบิ้งกำเจ้าของมันย้อนกับเขาว่าเบิ้งเจ้าของปั๊บทันทีอาล้มมันที่เกิดขึ้นมาเพระเขาดับปุ๊บย้อนกับเขาเบิ้งอีปั๊บทันทีบอลพราะเขาว่าปุ๊บเราพรเขาว่าไปเขาตีว่าฟักโกรธนี่ฟักโลดอันนี้คือกันน่ะเพื่อนว่าสติตัวนี้ตัวเบาๆตัวพวกเขาว่าพเขาว่าอยู่ตลอดนีตัวผู้ใดผู้ใดก็ะหูจักบุดแต่บ่ได้เอามาใส่บ่ได้มาใส่ในขณะที่ยหัเห็ุ วนนีคว่ำเป็นอยู่ของเขานี่ของเข้าไปเอาควา่ำโรบคว่ำกดควาำหลงมาเป็นตัวใส่เอามาเป็นตัวอารมณ์ทุกข์ขณะที่นี่พวกเขาม่เห็นที่นี่พ่อมาหูจักลูกูจักน้ำหูจับลูกทำน้ำทำลูกจักลูกทัาา้ทนทงนี้จัณฑะตาเกิดขึ้นมาลูกศาสนาลูกพุทธศาสนาลูส ก, กสมมติเกิดขึ้นมาหลอกลูกบาตรู้บุญยิ่งแล้วยิ่งเข้าใจเรื่องสมมุติปัตโตมันหรอกมีเพิ่มมาสะสม แต ก, กี่แต่ก่อนน่นหนูสื่อว่าพระพุทธลูกเรื่องสิ่งต่างๆมี่ต่างๆเกิดขึ้นมากเนาก็เห็นแค่ว่าก็ต้องใส่สมมติให้มันผิดต้องให้มันเป็นความเขอยใจในไม่ น, น่นหนูสื่อพ่เขอยใจในเรื่อ่งอาจล้มลุดน้าจบใปไม่ น, นั่นหนูสื่อว่าสิ่งแล้วนี้มันเป็นสิ่งอุปสรรคพอสมควรเป็นสิ่งอุปสรรคในการกระทําเพราะอย่างเพราะว่ามันมองแค่ข้างเดียวเห็นข้างเดียวเห็นข้างเดียวสีนั่นไม่จะมันสาอยู่เมืองเลยอยู่วตาพุธยานออกขอนสาพูดเี่ไปละ ไปบ้านไปบ้านเพาไปบอกอันนั้นก็บอดีอันนี้ก็บอมแมนพุทธลูกยังสี่ไปไปบอกไม่ออกนี้ไม out, ่ออกันบ้านพวกเจ้านี่กันมันคันมันหกอึ่งตึงยักษสนสิปนี้จะเป็นยังไดนเาเป็นแตยูนะสมบอนาะบอันเนาะบอกว่าพับห่นพพุทธลูกยังี้กันมากันเนาะมันหกอึ่งยินดังสี่เลสโอ้ยเป็นยักสิเป็นยูยังไ่าคันเป็นเป็นขายเกได้เป็นอารจะเป็นอ่เป็นผู้แพ้เป็นนิใครเป็นไอเป็นบ่มีฟบบบสวกสบายก็ได้ละวันเนาะ อันนั้นมันก็เป็นที่สถานที่บูชามาจ้ะมึงหันเป็นสถานที่บูชาเหมือนกับอาบูชากับพอสมควรแก่มันหลายเกินไปแก่มันมากเปลี่นไปนี่เกลี่ยนไปบอกใครเจ้าใครเจ้ากับโเเสีอเมื่อใครเจ้าโมเสีอเขาทุกข์กว่าเมื่อเติร์กคนโมเสียเขาเขาทุกข yes, okay. ์เองมันเนี่ทั้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกันนะที่จะไอ้สั่งเนี่ยบอกเร้่ในทั้งที่ดีแต่ใครเจ้าไปยอมเ่าตีกลับเพรามเขาทุกข์อันนี้เราปรบเท้าะกลับมาล่ะกลับมาบัง ความเก็เียตหน้าเาดีแต่ว่ารักกันไม่คิดถึงคำสอนอคาพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีอุปกาชีวกอุปกาอุปการชีวะมาบอพระพุทธเจ้าเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในจิจวัดของของเพ่นนี่ขอ ง, ก น, ของกนกันเลยถา ม, มาท่านเลี่ยงมาจากสมัครดชัยเป็นกู้บทุนอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้ารพระพุทธเจ้าเขากรตับว่าเล่เป็นสยามผู้ฟรุ้เองวันน มีผู้มีอาจารย์เราเป็นสยามผู้ปรุเองท่อนั่นละ่ะเชีย่ยดโอ้ยท่านก็นกนขอให้เป็นผู้รู่ผู้ผู้ลู่ผู้นี่พกพบมาหาจำ เ, เรื่อยๆกับถุยมไล่ไปนี่ไปทั้งทั้งที่พู้ทเจ้าตับสู่มาใหม่ๆแกกระ บ, บอกคขาปีนเกินไปลักษณะของพวกเขาเนี่ยคนะือกันน่ะกันบอาในที่มีพวกหิงที่ใครเจ้าว่าว่าวาที่ใครเจ้าบ่เคยบ่เคยเห็นบ่เคยรับลูกับเขาดีกับเขารู้สึกว่านักใจคือกันปีหนึ่ง ช่วงนี้แหละช่วงไม่อยู่วัดโมกไม่ไเออวัดโมกช่วงหลังนี่แหละช่วงนี้แหละซีนี่สามสิบี3ี่สามสิบห้าามสิบสามสาี่นี่แหละยอมชุมแพร่ถ้ากันเมารถมาถ้ากันเมารดมาบอกว่าวัดโมกกาพระพุทลูกว่ากันว่าเมื่อวานี้พุทลูกาบปรากาศพธลูกบวไหวพระไหวเจ้าอยังทั้งหมดเลยว่กกันว่าเขาไปเบิร์ดูกกันว่ามีย่มคนหึ่งเราอ่อยตั้งกกันว่าถ้าเจ้าก็เมารถขั้นนึงมานางเราปดกับประมาณ เจแปดคนน่ะเต่คนแปดคนเต่าคนนี่แหละมามามาคุยคุยมันแมนอิลิทิผู้บาอาจารยว่าพาวดโบกอยู่บ่อวายพระพุทธรูปอาจารยว่าเออก็เบงเตียงพระพุทธรูปนี่จะกลายองค์เอสององค์สาองค์บนวัดอาจารยอกบ่มาสนับไมลงปรเทศเมืองนี้ดอกว่าจัรย์ว่าเออสมัยใดเจ้ามาสมัยใดลงปรเทศมาสั่งไม่ไม่วัาจว่า หลวงพ่อเสียนมาส Ellen, ั ia ่งวัดใหม่ๆเอามันกะซีแม่แหะตินสั่งแมงหล่ทมีพระพุทธรูปเพ่นกะสิบ่ได้กาบได้ไหวเพื่อนกะธรรมดาธรรมดากาบไปใช้กะพระที่กลว้ากันบ่แม่นมันหลวงพเสบ่ักกาบรอกกันเลยโอ้เเห็นหลวงเสียบ่บ่ได้ยินแต่ซือกันเลย่ยิ้นแต่กินดิซับกันว่ะเอาจิตปากว่าพอทอมือคาไในแ้วออกกันเลยจิตไปค้ำพอตาเห็นดีอย่งคำโบราณเป็นว่าอันนั้นแหละ ถ้าเจ้าก็สงสัยเลยพ่ออย่างา ข, ากกข้าเข้าบ่คือรเจ่าว่าวเอาความจริงมาบอกสู่ฟังนี่สู่ฟังบอกให้เห็นบอกให้หูแบบให้อบอกให้เข้าใจจริงๆเพรม่นเออเอาสวารรค์มันลอยเจ้าท่านสิทธิ์่านหาย เ, เป็นเทวะยีสันต า, า, น า, ายันยอนนเลยโยมเบอาสะสมมาไหวบุญนั้นนั่นบอกอนี่บอกพ่อไม่ได้บอกเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยรู้สึกมัมีคนโม น, น่อยอก็เลยมาว่ากันเรื่องชานีบอกแนะน้ำในชะนีปีนั่น ปีย ม, ม, นนย ม, มยูวัดโมกปีสองพัสามสิเจ็ดปีนั้นหลวงปู่เทียนก็มีความดำริอ่าพรปีนั้นในจันดาก็ไปอยู่วัดโมกแหลไปอยู่ปุ้นจำมันสายี่แลมสิงญาติโยมใครจำไปจำมีมต์ไปจำมันสายี่แลมสิงจกักญายมมณ์มีมณ์บริม์มก็จักแะก็เื่องตึงไปไปแล้ ว, วก็วัดโมกรงนี้มงบุยพวกผูด้ดอยู่กันปะหลวงปู่เทียนหลวงปูเ่ปเทียนมันก็เลยเอนไปถามตามมาเฮ้นยคไปอยู่คอไปโดยบอนนาะ อ่าก็เลยบอกว่าลุงพ่อครับปีนั้นกับบัวดได้แปดราษาเก้าภาษากั น, นได้นี่แหละแต่ษาเพ้าภาษา9พ้าษาหรือสีพภาษานี่ละลุงพ่อครับตรงนั้นเนาะผมกะยังคุณนหน่อยอ่า้อมือ้หลักเงกับบมีบอ ม, มีอ า, วาไว้วุธพุวุธต่ธธธางตางนี่ก็ยังวันมนีเท่าที่ควรก็อยากเสนอให้ลุงพ่อนี่ให้หาภูมิซ่ะก็บอกลักษณะนั้นก็มีความตั้งใจอยู่ว่าถ้าลุงูเที่ยงมรณาภาพไปหรือตายไปนั้นก็อยากจะเป็นตัวของคนเหน่งจักหน่อย แนี้ไปบ่ได้ที่เขต้องรับผิดชอบเป็นสัมภเวสีป้าในงในป่าในใสในบ้านในเมืองบ่ได้ไปลกหลักปักถานยิ้สายในยิ้สยทั้งเมื่เป็นตาย็ขาให้หลับะเกยสีเผาแล้วพสขาแล้วพวสีแคบยังไงมียังไงตายแบบยังไคิดังสันไม่แต่สมมืออย่างคิดอยู่เยอะๆบคิน้าะฉนหน่งจางหายได้อ่าอันนี้คิดกันนะพราเพื่นบอกบางท่นก็เลยเสนอให้หลวงพ่อไปทุนหน่หลวงพ่อไปทุนกับหลวงพ่อสมบูรณ์ผูปินีอายุ แต่พันศาเป็นกัอ่อนตอนนี้หรอกกูมีอายุมากนี่เนี่ยตัวคน เ, เท่าเียสัทธาอ่าศรัทธาในตัวบุคคลอ่าศรัทธาในตุวบคลิกของคนงนี่ของคนอ่ารูปร่างนี่ที่เป็นเสียงอ่าเป็นเสียงเป็นธรรมอ่ารูปประมาณนกาลอ่ารูปอ่ารูปรูปสวยรูปงามติดเสียงติดรูปโพสัพประมาณหนากาติดเสียง ธรรมะประมาณนักการทต่ถทำถ้ำิดเป็นถ้ำข้าจ้าตปิดถ้ำอันนี้คือกันก็รเล็เสนอเพิ่นเสนอเพิ่นบอกไปไม่ไปแตผมยังวันนั้นผมก็ยัง่ท่านสมมาภาคควนหลงหลวงพ่อโดนมากเพราะสมควนเดือนกลัวเดือนกลัวมีกลัวมากกว่เมื่อวว่าอยาให้ไปอ้าวการเล็กเิดว่าข้าสั่งกัหลวงพอมีความดับิสังักไปก็ได้มาจนอกพอเดือนมีทุนหน้าม่ประชุมอยู่ที่ทับกิกวนเียมันก็บอกว่า คุณอเมยอยู่วัดโมกีนั้นมิถา ย, ยุมันหาลูกพบปลูกกับผมมิกระทาผูเท่าพระนุ่มนอยพระนุ่มตอนนั้นไหนอยุกับประมาณสามสิสาปีเราก็ขัดจากับิกระูาอายุหลายๆมีหลายๆกนเท่านี่้นเท่าเขาข้อเขาไปเหยียบวัดโมกมนรู้สึกว่า โ, โอ้จะจะเดียงเพระสมควนะ่ะ จนว่าช่วงในพันษาเนั่ยจนว่าเขียนจดหมายไปบอกหลวงพ่อพิทุนเนี่ยตอนนั้นเป็นอยู่ันด้วยจังหวัดแพร่บอกว่าหลวงพ่อเอ้ยเขีนไลยเนออกพันษาแล้วกันเข็นนเลยแต่ว่าเอากะลกมาใส่เอาศพไปเว่าเอาไปหาปเอาไปเผาแนว่า้พอหลวงพ่อพิทุก้คุเอแกมสนามในปั้นนั้นอยู่มาอยู่มาจนว่ากระทั่งหลวงพ่เทียนพันเดมอรณภาพช่วงกลางพันศาเด ช่งกลางพันศาปีสองพันไรสาสิบเด็ดเดี่ยววันที่สิบสามกันยายนของของปีนั้นจะมีความตั้งใจว่าเออเอาเมื่อหลบพ้นยูเอาก็ได้ทําหนาทีเพิ่นบอกเพิ่นฝากเพิ่นฟังเอาไว้เอากระจีดได้ทําหนาที่ก็เมื่อเพิ่นไปแล้วเอากรคอยหาหาโอกาสหาเวลาหาในทางในหนทางที่จะขามาที่จะไปเป็นประกอบคิดของเจ้าของบ้างนี้บ้างบอกว่าพิจิตรนี่ติดไปติดมากกรเด็นกระได้เจ้าปี ก็ปีเก้าปีสีสิบปีแล้วเนาะที่สังคีตแต่ปีเก้าปีแล้วพระเยซาก็ไปที่ยากแล้วนี่จะผูไปนี่จากแล้วแั่แแลเลี้ยแต่จะมาเพราะท่านไปเพราะฉะนั้นว่าจากงานปีนี้ก็อาจสิจัดปีสุดท้ายก็ได้เด้อ <laughs> จัดจัดปีสุดท้ายก็ได้อาจที่ไปก็ได้หรือไปไห น, นก็ไ่จัดบวกกัาากนเพราะฉะนั้นก็ยะาฝ้าตกลงตกใจเราซื้อด อ, อกแม่ <laughs> วม่พูด เพราะฉะนั้นว่าก็ ด, ดีเมื่อไม่ยู่แล้วพวกยากพวกยมชาวบ้านของทงกำให้บานสุวัฒนาในตลาดตะลี่ข้าเจ้าจะมีความอุปถัมภ์ป่าดีดีได้ดีผู้ น, น้อย น, น่อยผู้น้อยน่อยไม่ยุ่กับข้าเจ้าตอนนั้นมีพาลงกู